ผ่านร้อนผ่านนาวผ่านฝนผ่านคนมาร้อยเรื่องราวแต่ใจยังเดบอนาวเงาและเดียวดายคอยมองหาตามรักคำเดียวจนหัวใจกับใครใครสักคนที่เป็นเหมือนกัน ไม่รู้เลยคิดของใครเปิดทางให้เราพบกันผ่านวันคืนเวียนหมุนจนใจฉันรู้สึกเธอคงจะเป็นเหมือนกันเธอคงจะเป็นเหมือนฉันสบตาพอรู้แต่ยังไม่แน่ใจอาจเป็นสีเดียวกัน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 และพอใจสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ฉันรู้ตัวดีชีวิตที่มีทางเดินของใครผิดตรงไหนถ้าเลือกรักในแบบเราความรักลากสี น, นี้จริงไม่อิงนิยายเรือกใดอยู่ที่ใจ เรียนรู้และยอมรับ ก, กันอาจดูว่าไม่เหมือนใครสุดท้ายก็เพียงรักกันเป็นทางแห่งรักของฉันที่เลือกรักเองอาจเป็นสีเดียวกัน และมีทุกอย่างคล้ายกันดูเหมือนรักไม่มีวันเป็นจริงใช่ไหมรักเราตัางก็แค่เพียงกายที่เหมือนกันรักเราเปรียบก็เป็นดอกไม้ที่สีเดียวกันแต่ดอกไม้แห่งรักของฉันต็งามไม่แพ้คร ทางที่เราเลอกเดินและพอใจสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ฉันรู้ตัวดีชีวิตที่มีทางเดินของใครที่ตรงไหนท่านเลือกรักในแบบเราหากเกิดคำถามว่ารักแบบนั้นรักได้ยังไงคำตอบก็คือหัวใจสองคนรักกัน เธอและฉัน